ตัวที่วกดเนี่สบายดีไหมทสบายใจกรมีต่างๆไม่อป็นเรื่อมีประโยชนมากสมัยกอนการเสียเงินทีวัดนี่แป้กนก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนจะเป็นอุบายก ผู้คนนั่นเถ้าเราเข้าใจในการปฏิบัติทุกคนได้มันก็ไม่มีตัวหน้าอยู่ตามปากำไมถึงเด็กปฏิบัติทำไมถึงเด็กทวัดนะทำไมถาจารยันทงรัดปฏิบัติอยู่กันไปเฉยๆวันพระ ร, รวมกันทาวัด เรมีการประชุมกันจิตวิสพะอาวาระธรรมะมไปนเรอยูก็ะการประจันตของสติของเราก็ทำได้หลับมุ่นทวัดศึกษาเอง การแช่ผลิตการยิงเราสุกเราเองทำเป็นส่วนตัวเราคนเราก็เหมือนวันแข่งผู้ปฏิบัติอยู่ในวันแข่งบางบข้อม่น่านผู้ที่มีก็เข้าใจนบางรบนบอดชอบกันที่กันใช้ ตอนเช้าตอนเย็นชอบบบนี้บางวงจะชอบดบียดเบียดบางวงจะชอบผูกเข็มที่เด็กนั่นละทับอย่างการปฏิบัตินี้ก็คือเป็นบุบา จนรุ่นดาว่อจะสั่งสอนจิตของเราเนี่ยให้สมบท่อสอนของพระมันจะดายตรงนั้นนี่ถึงเป็นดายให้เราจดจำประสงค์ของพระพุทธเจ้าเรา ที่เรามา b u a ในพุทธศาสนานี้ประพุติถ้าองค์ของเรามีพุทธประสงค์อยากจะให้พุทธบริษัทนี้รู้จักข้อกับพุทธปฏิบัติเพื่อทรงประทานในคำสอนของท่านให้ศาสนาของท่านยืนยงคงทนอยู่ตลอดกาลนานนั่นเอง มาัวิบัติทุกคนทุกท่านก็ต้องอาศัยสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เป็นกำลังทันงสาวว่าเป็นกำลัง ท, งทงั้งห้า ทึงห้าอย่างนี้เสนอพละเป็นกำลังที่เป็นพลังแพลังของจิตรัพทานรัททานแหววัยคนเชื่อถ้าพูดง่ายๆแต่เดี๋ยวัพทานี้มันมีทุกคนแต่ว่ามันไม่ถึงสัททา ศรัทธามันเชื่อจิตใจของเราบันยังมันจะเชื่อมนุษย์ทั้งหลายมันจะเชื่อกันพูกง่ายๆปดิ ว, าวดา่าบวิมานี้ก็เขามีศรัทธาผู้มีศรัทธานั้นจะต้องเคารพครวะปะพุทธธรรมผสม อยูเสนอระวังไอสิงที่มันผิดอยา่าสะสมในถ้าเรารู้จักผู้ปฏิบัติจะไม่กลาจะทำเพราะเชื่อว่าอันนี้มันผิดอันใดมันผิดก็อันนั้นมันเป็นอาบัติอะ่ี้อาบัตก็แปว่าผิด ไม่ใช่เรามันเป็นอย่างนี้อาบัตินั่นเป็นเรามันผิดเรามาประพฤติปฏิบัติในข้มจาดความผิดถ้าเรามีผิดอยู่ก็ยังไม่มีความบริสุทธิ์สมบูรณ์เล่นแต่สิ้นว่าเรายังไม่รู้จักไม่รู้จักประพฤติเจ้าควาเพื่อเพื่อ ศึกษาข้อประพติข้อปฏิบัติอันนั้นให้รู้อะไรที่ยังไม่รู้เราจะมุ่งเฉยเสียนี้มันก็ไม่ได้เป็นผู้มีจิทาเชื่อว่าผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกอย่างนี้นโูดง่ายง่ายมันก็ไปกันได้เท่านั้น อะไรที่ยังหลงผิดอยู่นั้นเราเรองอันนั้นเรายังไม่รู้จักไม่รู้จักเราก็คารมอยู่เสมอสังรวรสังวมอยู่ตลอดเวลาจะไอาศัยคนอื่นอาศัยครูอาจารย์แนะนำสอนอาศัยความรู้สึกนึกคิดการปฏิบัติเราเองด้วยเทียงเทียงกันไป ท่านบอกศรัทธาอย่าไปเห็นว่าเรามีศรัทธาเราจึงจะไม่ b u a แต่บว a แล้วไม่ทําตามคําสอนขอ ง, ของพระพุทธเจ้าของเราอันนั้นเรี่กว่าศรัทธายังไม่ถึงที่สุดศรัทธาก็ต้องพยายามทำ น, นี้ยังไม่เดียวเรายแตใจก็พยายามอยู่เสมออยู่กับศรัทธาจนชั่ว ต้นตอมันก็คือเป็นพุทสัจปา้าปราสจากสักษาแล้วมันก็มู่ป็นประโยชน์อะไรถ้ามีสัทาแล้วก็มีความเพียรมีความเพียรเพียรเพื่ออะไรเพียรเพื่อจะรัข้อผิดนั้นพยายามจะแสวงหาใ น, น, นทางที่ถูกอยู่เสมอ พระพุทธองค์ท่านก็สอนว่าเมื่อบวชมาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ทำตัวเป็นพระภิกษุใหม่เสมอไม่ใช่แบบเก่าให้เป็นผู้ใหม่อยู่เสนอสยดสยองอยู่ต่อข้อปฏิบัติสมองเสมอด้วอยอยูใจ จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอมจิตกป็ปลารอกอยู่ว่าอะไรไตรงนั้นให้เราจะทำห้เอยียดไรได้โดยวิธีอย่างไรเราจะมีความมากน้อยโดยวิธีอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรต้องจอ่างนั้น บาเรียอยู่อย่างนี้เสมอให้รู้จกากความผิดชอบเฉพาะตัวเราอยู่ทุกเวลานั่นเอที่ันว่าอัตโนโจพยัตนังจงเตืนตนด้วยตนเออันนี้มันสาคัญกว่าเพราะว่าตน ที่สมมติว่าก็อยู่ที่เรานั่งเราก็นั่งตนตนนั่งนอนเราก็บรกว่าต้นอะไรมันก็เป็นต้นตรงนั้นเนี่ยคำ น, นีกว่าคนอื่นไม่ต้องเจอตนคนอื่นจัดตัวต้นหาโอกาสเวลาที่ท่านจะแนะนำสอนมันผ่าในใครจากตัวต้น ตนนั่นคือตัวตนคือตัวเราที่เราเรียกว่ตัวเราเรานั่งอยู่ระคิดอย่างไรเรานอนเราคิดอย่างไรยืนไปราคิดอย่างไรในเวลานี้เราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่อย่าง น, นี้เรียกว่าเราตามดูตัวของเจ้าของแต่พยายามการจะทำเช่นชนี้การเรวยกวิริยะสุเทียง เตรียมเพื่อจะระความชั่วแต่พื่อความดีไม่จะเตรียม อ, อย่างอือ่นไอ้เตรียมละสิ่งที่มันผิดสิ่งที่ที่ผิดมาปฏิบัติในความผิดหมดไปเมื่อความผิดหมดไปจะเหลือแต่ความที่ไม่ผิดไอ้ความที่ไม่ผิดมีอยู่กระบวนการของจิตวิสุทธิ์นั่นก็จะเป็นปูทเตียนวิญญาณพระปารกตเตียน เราจะนั่งจะยืนเจรเินนอนอยู่ก็ตามมีความปรากฏอยู่เสมออยังไงความอยากของเราอ่ะซึ่งมันมีความร่องเหลืออยู่ในใจนี้มันจะเบาลงไปมันจะร่างลงไปมันจะดน้อยมันจะสั้นลงมันตรงความเห็นชอบการธรรมะธรรมสอนของพระพุทธเจ้าของเรานั้น ยังแบบลาลบทความเพียรอยู่เสมออ ม, มันไม่รู้มังว่ามีความเพียรอยู่ก็มีสติสติคือความระลึกได้อยู่ในเมื่อเราพูดอะไรทําอะไรอย่างไรอยู่เป็นผู้มีสติตัวนี้จะรู้อยู่เสมอ เมืเ่อเรามสติรู้ง่ายมันก็รู้เลยวเมืเ่อเรามีสติเมื่อเรามสติอยู่ตรงนั้ น, นตัณฑ์สัตว์เช่นมแมลงมุมที่มันทำรังมันที่ได้มีโอกาสว่างว่างมันไปทำรังมัน ทำใยมันผ่านไปผ่านมาผ่านไป้่านมามันสป็นังสิงอยู่ตามอากาศเมื่อเสร็จแ้วตัวก็จะนัหมกอยูที่จุดกลางของกรงนั้นๆเฉยอยู่แต่มันนิ่งอยู่ ส, รรสมมงบ อ, นะ อ, อยู่ด้วยวีสติอยูแก่สำหรับเก็บตัวไว้ใ น, น จิตตรงกลางลรงมันเนี่ยพอมาแรงลันมาแรงค่งมลแรงต่างๆที่ดีน้าทานใหญ่นั่นก็มีความสัมผัสสรุงรรง่งรู้จักตัวแรงมวลก็จะตึงขึ้นรีบไปจับจ บ, บนั้นเมื่เป็นอาหาร เมื่อจากเจ็ดวันก็เรียกมาอยู่ในจุดเกา่าจุดที่อยู่เนะี่ยก็ท า, างความสงบระวังมีสติรู้ว่าอะไรมันจะมาอะไรมันจะมาถูกเข้าตัวมันสัมผัสเมื่อไรมเมรงงงก็ถึงนระหว่างเมรงวงมันอยู่ด้วยสติเพรมันจ้องกินอาหารมันระวัตระวังอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา เมื่อจับแล้วมันก็วิ่งมาอยู่ที่เตาบันอย่างนี้เป็นที่ใสของแมลงมุมที่จับสัตว์กินอยู่แมดงมุมนัมนมนม้นก็เหมือนกันไปจิตของเราจิตของเรามอยู่จุดกลางของอายตนะตาหูจมูกจมตาจิต มีความรู้สึกอยู่เตินอยู่ว่าอะไรมันจะมาสัมผัสหนังตาตาเห็นรูปมันก็รู้สึกมีสติอยู่หูฟังเสียงมันก็รู้สึกมันมีติอยู่ในปีนเหม็นหอมอะไรมันก็มีแต่รู้สึกเริ่มมันสัมผัสรถโอชารถต่างๆมันก็รู้สึก ธรรมารมที่ม <si ันเกิดกับใจมันก็รู้สึกนี่เรียกว่มันสัมผัสสัมผัสครั้งแรกมันก็รู้สึกเฉยๆเช่นหูเราสัมผัสเสียงเข้มามันมีเสียงเข้ามารู้ตัวดีเสียงตัวดีกลิ่นตัวดีรสตัวดีรสจับปากตดีธรรมารมตัวดี เมื่อมันมากระทบแล้วมันก็ยังมีอะไรเกิดขึ้นพอกระทบแล้วยัวมีความต่อไปอีกมีความต่อซึ่งมันจะเกิดกิเลสซึ่งมันจะเกิดปัญหาอืซึ่งมันจะเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะขึ้นไอ้ขั้นแรกมันไมยรู้เรื่องอะไรมันรู้สึกเฉย ต, ต้อมีความรู้สึกเกิดแล้วก็ตามติดต่อไปว่านั่นเสียงอะไรแม่พครเลาะจริงเมื่อเห็นลูกมันก็เฉยอยู่ต่อต้องเกิดขึ้นที่หลังต่อไปรูกมีสวยไหมเรื่องไม่สวยไหมอันนั้นเดียวกว่ามันจะทบกันมามันไม่เกิดกิเลสมันไม้เกิดปัญหามันเกิดราคะเกิดโทสะโมหะอืม ผู้ประพฤติปฏิบัตินี้ต่อนาาการแต่นั้นถ้าเราระนัดระวังอยู่สังวรอยู่สังรวมอยู่เรื่อยๆมันจะรู้จักตัวของเจ้าของรู้จักจิตของเจ้าของว่าจิตเจ้าของนี่มันเป็นไปในลักษณะอันไร มันก็รู้จักเมื่อเรารู้จั ก, กจิตของเจะาองนั้นเราก็รู้จักสั่งสอนจิตของเจะาองเมื่อเรารู้จั ก, กจิตของเจะาองแล้วเราจะรู้จักสั่งสอนจิตของเจะาองตอน น, นั้นฉพระนั้นตัวสตินี่จึงเป็นตัวที่สำคัญมากที่สุดเมื่อมีสติแล้วเราสันงนรอยู่ตังวรอยู่ก็บรรงปัญญามา โคูคนี่มันเป็นยังไงเสียงนี่มันเป็นยังไงอะไรไหมยรัมยามาช่วยกิจระนาอันนี้โดยสติมีคุณค่าสมาธิสมาธิาธาธทีความตั้งใจนั้น สมาธิมันนันจะเกิดมาจากสติอะไรสติสมาธิถ้าพูดเรื่องแบบสมาธิการสัตว์สมาธินั่นท่านมายห้เปการตั้งใจมัน่นยังเราจะรัอารมณ์สิ่งที่มันชัว่ว สิ่งที่มันมดีเน่ยให้คลายมันนั่นในข้อประพฤต์ของเราข้อปฏิบัติของเราอยู่นสมาธิมของตัณฑ์ใจมัน่สนสมาธิมีหลายขนาดที่เราทำกันอยู่ถึงวันนี้สมาธิที่นั่นเรียกับตากันนั อันใดก็หนขึ้นมาเป็นอารมณ์เช่นที่เราอบรมกันนี้ทำไมถึงเอาเป็นอารมณ์ยังอนาตานสตินี้เอาเป็นอารมณ์เอาเป็นเครื่องหมายเอาเป็นจุดเด่นที่สุดในสิ่งที่ทั้งหลายที่เรารู้อยู่นั่นเองที่จะมุ่งหมายมให้เป็นหลัก เพราะว่าจิตเนี่ยมันมีอารมณ์หลายอย่างหูฟเสียงก็เป็นอารมณ์นึงังสีก็เป็นอารมณ์มันหลายอารมณ์ไอ้สิ่งที่มันไม่หลาอารมณ์เนี่ยมันถูกสร้างงนั้ น, นสิ่งรม่มสุดมากๆมาเป็นอารมณ์เดียวเราจะเลือกอาไหนก็เอา ที่วัดดาวนี้นสอนาาสอานาตาระสติอาณาตาระสตินี้มันเป็นของง่ายเพราะอะไรก็รา ม, มีอยู่ล้วเรานั่งอยู่เราก็หายใจอยู่เรายืนก็าหายใจอยู่นอนเราก็หายใจของเราอยู่ดังนั้นก็กําหนดเอาสิ่งที่มันมีอยู่นี่ใกล้ๆเนี่ยเป็นอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกอันนี้เป็นอารมณ์ เพื่ออยากจะให้จิตมันมั่นในอารมณ์คือนาตาและสตินี้ไม่ให้มันถูกสร้างไปหลายอย่างคือทำมากๆมันมีมากแต่การใหมันน้อยอารมณ์มากๆมันมากแต่เราอาศัยว่ามันมากอยากจะทําใหนมันน้อยจิตเป็นอารมณ์เดียวเราจึงยกรวมขึ้นหายใจเข้าออกการได้พร้อมแต่นึกว่าพุทโธ พุโทโธว่ในใจของเราเสมอมีความนุมึกอยู่รู้อยู่เติมมุกในพุโทโธนั้นยี่ปรเรียกว่ามันเป็นอารมณ์เมื่อเราทันไปนั่นอยู่ทันอยู่หายใจออกออก็เป็นพุทโธหายใจเข้าขขก็เป็นพุทโธ คุโ t h o ั่นเปหมายที่ว่าผู้รู้อยู่นั่นนี้เรารู้อยู่รู้ด้วยสติของเราที่เราเตือนอยู่นั่นมนุษยถ้าเรารู้จากสติของเจ้าของมีสติอยู่เราจะรู้จากจิตของเจ้าของจิตของเจ้าของมันคืออะไรอะไรมันเป็นจิตเราจะเห็นชัดผู้ที่มีอํนานาจได้รับเอาซึ่งอารมณ์ทั้งหลายนั้นเนี่ยเรียกว่าตัวผิด สมมติว่าจิตหรือใจที่เรากำหนดรู้ที่ตัวมันกำหนดรู้ตากรมเข้ามันก็รู้จักรมออกมันก็รู้จักคนที่รู้ลมมันเข้ามันออกนั่นก็คือตัวจิตที่เราสมมนดแต่ตัวจิตถ้าเรากำหนดรงหายใจเข้าออกอยู่เสมอนั่นแหะใครตามรู้อยู่ในเวลานั้นแล้วก็รู้จากใครตามรู้อยู่ นตารู้อย hey. well, ู่นันเรียาจิตอารมณ์นั่นก็เป็นอารมณ์จิตนันก็เป็นจิตก็คือผู้รู้มันก็เป็นผู้รู้อารมณ์มัก็เป็นอารมณ์มันเป็นท่านท่านที่เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิมีอารมณ์ีแล้วจะเห็นจิตของต้ของว่าจิตนีมันเป็นอย่างอารมณ์ี้มันเป็นอย่างน้อารมณ์ที่มันมากระบอกนันเป็นอย่างนี้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 ไม่รู้เพราะทำไมเราสั่งสอนจิตของเราพระท่านบอกว่าอืดูก่อนพิสู่ทั้นหลายอืใครตามดูจิตของตนตนนั้นจะต้นจะหวงของมานวงของมันมันคืออะไร คือโรคหนเสียงหนึ่งกลินหนึ่งรสหนึ่งโพฏฐาณหนึ่งธรรมนรงอันนี้นมันจะเป็นห่วงมันเป็นห่วงอันหนึง่งซึ่งจะโกล่จิตพูดถิรู้ปรับมานั่นเองเข้าไปในอำ น, นาจของมันเข้าไปอำ น, นาจเข้าไปในอำ น, นาจของความเกลียดของความรักนื่ หากว่าเรารู้จิตของเจ้าของเชนั้นทั้งรมีสติอยู่ะ ร, รู้ว่า น, นี่เป็นอารมณ์อันนี้เป็นจิตถ้าเรามองเห็นว่าอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตก็ แ, ตแยกกั น, นออกเป็นสองอย่างาเป็นสองอย่างถ้าเราแยกออกเป็นสองอย่างเรารู้จักจิ ต, ตันั้นยึดมันถือมันนอารมณ์อารมณ์นั่นะ่โ โรหลงอาลมณ์ก็คือหลงโลกหลงโลกก็คือหลงอาลมใครเป็นคนหลงก็คือจิตผู้รู้นี่นะมันหลงมันหลงตามอารมณ์ที่ดีมันก็หลงไปชั่วมันกรหลงไปตามสุขมันก็หลงไปทุกข์มันก็หลงไปตามมันตะเาตัวมันจะแทนชักวามันเป็นตัวทุกข์ ไอ้ความเป็นจริงนั่นมันจะทุกข์กว่าพเพราะว่ามันเข้าไปอุปทานมั่นหมายในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเลยจะเป็นเจ้าของอารมณ์ไอ้ความเป็นจริงนั้นอารมณ์นันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตมันคนด้อย่างกันเมื่อเราเข้าไปยึดว่าอันนั้นมันดี อันนั่นมันสวยอย่างมีเป็นต้นไม่ใช่ว่าเห็นเเฉยๆเห็นเรื่องอุทานนั่นหมายประยอะมัน่นหรือมันเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาก็เรียกว่านั่นแหละเรียกว่าอดวงของสัจธรรมมันผูกไปอความพอใจมันก็ผูกไปความที่ไม่พอใจมันก็ผูกไปความสุขมันก็ผูกไปอความทุกข์มันก็ผูกไป ชื่อวมันก็ผูกไปดีมันก็ผูไปอย่างนี้อืก็เพราะว่าเราไม่รู้จกกักจิตและไม่รู้จักอารมณ์ถ้าเรารู้จกกักจิตอของเจ้ของเราอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตนันก็เป็นจิตนั่นเป็นคนละอย่างถ้าเราไม่รู้จักอันนี้เราก็ไปเป็นเจ้าของของอารมณ์นั้นเมื่อเราเป็นเจ้าของอารมณ์นนั้น เราต้องรักตัวอารมณ์นั Jessie ้นดู่ิตาอารมณ์นั้นดู่นใจเจ้าของอารมณ์นั้นาตุอันจนนี้ว่าอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นอารมณ์เราก็ต้องรู้จักสอนจิตของเจ้าของรู้จักสอนจิตของเจ้าของเมอความสงบอยู่ว่าถูกอารมณ์ขึ้นมาเราจะรู้จักออันนี้เป็นอารมณ์ อันนี้มันเป็นจิตมันก็เกิดง่ายๆมันก็อยู่ใกล้การชิดกันงั้มือ น, น, น, นกับน้ำมันัหน้ำผามันมีน้ำหนักต่างกันใจสาส่ในควาเดียวกันก็ได้แต่ว่ามันไม่แทรกซึมต่อกันจิตกับอารมณ์ก็เป็นอย่างนั้นถ้ารู้จักว่าอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้เป็นจิต นั่นก็เห็นจิตเป็นิเห็นอารมณ์ก็เป็นอารมสักแ่าอารมณ์เนั้นอารมณ์นั่นจะเป็นกว่าโลกเราลงโลกก็คืองอารมณ์ย้อนอารก็คือหลงโลกเอาจิตกับอารมณ์ทั้งคันกันจนแยกกันไได้แยก แยกแง่อกไม่ได้ว่าอะไรมาเป็นจิตอะไรว่ามาเป็นอารมณ์แยกไม่ได้เมื่อแยกไม่ได้ก็มารู้จักจั่งอะไรเป็นจิตอะไรเป็นอารมณ์ไม่รู้จักเั่งของเมื่อไม่รู้จักจั่งของก็ไม่รู้จักสั่นสอนจิตของจพ่งนั้นฉะนั้นที่พระพุทธองค์ท่านในสังวรหรือสังรวมนั้นก็เห็นชัดว่านี้มันเป็นจิตนี้ว <c oughs> ่าาเป็นอารมณ์ มันเห็นชัดถึงนั้นอารมณ์ี่มันก็สัตว์ว่าตัวอารมณ์เปจิตก็สัตว์จิตเห็นอารมณ์ก็สัตว่าอารมณ์มันเป็นธรรมชาติมันมันเป็นอยู่อย่างนั้นเขาเป็นอยู่อย่างนั้นตั้างแต่ไรแต่ไรมาเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นทหาราราไม่รู้จาก สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ไปสัมคันธ์นั่งหมายมันว่าทํำไมมันเป็นอย่างนั้นว่าทํำไมมันเป็นอย่างนี้ตอนมจริงตรง น, น, นี้มันเป็นของเก่าแต่มันตั้งอยู่อย่างนั้นเรืองดังนั้นระพุทธเจ้ากากนที่ให้ปฏิบัติให้จิตเจริญมาที่คำสอนว่าท่านทั้งหลายหรือว่าสูทั้งหลายจงมารูโลกนี้ อ you know ันหน้าตาดูยากแต่รบอันพวกตนเสาสังเวยหมกอยู่แต่ตัวรู้นะทํารือไม่อันนี้เป็นส่วนของนักทำกันเองเป็นพวกตรงตะไคร้ผมโลกนี่มันมุ่นวายนันก็เป็นอยู่อย่างนี้รลกนี้ไม่ใช่หรอกมันวุ่นวายมันเป็นต้องมัอยู่อย่างนั้น ที่เราก็ตย์หมายนั่นมันพอเจแต่มันมันก็วุ่นวายแต่รู้คามเปจริงว่าปัญญาและสเิปัญาที่นั่นไม่วุดนวายถ้ามันวุดนายมันก็คงวุดนวายด้วยถถ้าคุมีปัญญาดูแลที่นั่นมันไุดนวายแต่คนไม่มีปัญญาแล้วประกาศที่นั่นมันวุดนวายพระพุทธเจ้าสัจจะ่างนั้นให้มาดูโลกอันนี้หรือแม้แการดูพระตะกั ก็คนขาวอยู่คนโน้มอยู่คนจับอยู่คนหลงหมกอยู่แต่พอรู้ทั้งหลายรู้แล้วในข้อมอยู่ที่นั่นในวุ่นายที่นั่นในตัดข้องก็เพราะเห็นว่าของเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นอันนี้พื้นฐานของการปฏิบัติพื้นฐานของการเห็นของการปฏิบัติเมันจะต้องเป็อย่างนั้นให้รู้ ถ้าเราไม่รู้มันก็เป็นทุกข์ไม่รู้ก็ไปยึดมั่นไปถือมั่นมันตลอดกาลตลอดเวลาอารมณ์นี้มันมาสัมผก็มีหูก็มีจมูกก็มีรินก็มีตาก็มีกรดบานการจิตเฉยๆตรงนี้อืมซึ่งก็รู้สึกเกิดมาเดียวนั้นทั้งๆในเวลานั้นตาหูจมูกรินตายไม่สำคัญสุขกังวลอะไร แต่ว่ามันเป็นธรรมารมซึ่งเป็นกรรมเก่าที่มันติ็บไว้ในเวรานั้นมันระเบิดขึ้นมาอยู่ที่ใจเพราะว่าในเวรานั้นนม่ไเ้ยินเไม่เห็นไมนอะไรก็ตามทีแต่ว่าอันนั้นมันมีอยู่มันเป็นของเก่ามันจะเป็นธรรมารมเป็นธรรมะอารมณ์นี่เดี๋ยวกะเป็นธรรมารม มันสังเนียอยู่ในใจเลยเดี๋ยวอุปาทิภัณฑอุปาทิภัณฑเมื่อมันใ น, ในช่องอะไรมันกระเบิดขึ้นมาเจอความยินดีขึ้นมาเจอความยินร้ายขึ้นมาอันนี้คือของเก่าที่มันมีอยู่แล้วในปัจจุบันนั้นตาก็ไม่ต้องเห็นหูก็ไม่ต้องได้ยินจมูกก็ไม่ได้สิ้นเอ็นก็ไม่ได้รับ เราจะมีบทระดับในถูกต้องอแต่ว่ามีอารมณ์ทางจิตเกิดขึ้นมาเฉยๆเครืสมาธิจิตที่มันเกิดสมาธิจิต น, น, น, น, นั่นจิตมันก็ยังหลงของมันอีกเอยอะยังไปหลงรักยังไปหลงไสอยู่มนสถานที่นี้นนอืมไงถ้าเราเห็นตรงนี้ถ้าเราดูตรงนี้เราทงสมาธิเห็นชัดอยู่อย่างนี้ น้อก็พยายามดูที่มันเกิดแล้วมันก็หลับมันเกิดแล้วมันก็หลับหลับแล้วมันก็เกิดเกิดแล้วมันก็หลับนั่นเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอืมนันไม่ไปทำไมใครตรงนั้นแบบที่พระโยคาวาจาร์ตาเห็นครับว่าอันนี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งดังนั้นอะไรกันเนี่ย มันเกิดแล้วมันก็ดับไปนับแล้วก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปถ้ราะพวมีตาาท่าจะเห็นจิตอันนี้มันเ็นของเกิดดับอยู่างนั้นนั่นไม่เป็นตัวอย่างอืนดีถ้ารู้ชักมันแรมันก็เกิดดับเพรามันดีอย่างนั้นก็เหมือนโลกเนี่ยถึงเวลาที่สว่างมันก็สว่างถึงเวลามันมืดมันก็มืดมันก็เป็นเราะมันดีอย่างนั้น แต่คนที่ยุ่งในการงานก็จะเเหตโทษมันว่ามันมันเร็วไปด้วยมันสว่างโรไปอย่างนี้ถ้ารู้ตามเป็นจริงของมันแล้วนั่นก็เป็นเรื่องของมันเป็นไปอย่างนั้นอันนั้นอย่างเรามันหลงจะพุทธเจ้าก็ะพฤติปฏิบัติให้ปฏิบัติเพื่อใหหายหลงเพื่อให้มันหายหลง ภายากรารปุกไปที่พวกเราเีางเนี่ยศึกษาศึกษาให้สเห็นความจริงเมื่อจิตสงบมีสติอยู่มีสัจธรรมอยู่เป็นสมาธิอยู่มันจะเห็นเจ้าที่สมุทนานเมื่อมันเห็นอาการทั้งหลายมันเต็มเต็ม น, นั้นก็นนเกิดการวิเคราะห์วิจาร์ขึ้นมาอืม เั็มสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานั้นสิ่งที่มันเปลี่ยนอยู่นั้นอยู่เสมอแม้จะเห็นอาการของมันตามความเปลี่ยนจริงของมันรู้ว่าว่ามันเป็ีนของมันอย่างนั้นอยู่เมื่อเห็นชักจนนั้นเราก็ไม่ไม่ต้องเพิ่มอะไรนั้นอีกไม่ต้องไปขออะไรมันอีกต่ออยู่ตามเสมอของมันเปลี่ยนนั้นแต่คนที่เพิ่มอะไรมัน้นจะมา ไ้ถอนอะไร ม, มาทำใคือสีคนดุงอารมณ์มัจะ เ, เกิดยุ่งเกิดวุ่นวายเกิดความไม่นสนุบที่พระพิทาเจ้าต้องสอนให้เห็นโลกคือโลกมันมเป็นจริงอยู่แล้วมันมีความจริงของมันอยู่อย่างนั้นแคเห็นชัดิยดยปัญญาว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีทางจะแก้ไขเลย ท่านให้แก้ ต, ตัวตัวเราเองแก้ไขความเห็นเราเองแก้ไขตัวเราเองไม่ใช่ไปแก้ไอย่างอื่นถ้าเราไปแก้ไขอย่างอื่นนั่นก็รียกว่ามันเป็นภายนอกเมื่อเหตุมันเกิดมาจากนั้นเช่นเรามองดูรูปด้วยรเสียง รเราก็เห็นหน้ารูปนั้นมันเราไม่ชอบมันหรือเสียงนั้นเราไม่ชอบมันก็นึกว่ารูปนั้นมันเป็นเหตุที่ให้ใจเราไม่สบายก็นึกว่าเสียงนั้นทำให้ใจเราไม่สบายก็นึกว่ารูปมันเป็นเหตุเสียงมันเป็นเหตุแต่ความจริงๆนั้นเฮเธออยู่ที่ตรงนั้น มันเหตุอยู่ที่จิตของเจ้าของนี่เองถ้าเราก็ไปสําคัญธนั่นหมายว่ามันเป็นอย่างนั้นหรืมันเป็นอย่างนี้แต่ความจริงนั้นมันเหตุเกิดอยู่ที่เราเราไปเข้าใจว่ามันเหตุเกิดอยู่ที่โลกเสียนสิ่งแต่ความจริงนั่ น, ม, นมันก็ะทบถูกต้องแต่มันโกหกจากความเห็นนี้เอง อันนั้น ต, ต้องไปอยู่แตภาพต้องทำอย่างนั้นนี่แต่ไปอย่างอีง่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงจั์ให้พุทธบริษัททั้งหลายมารูโลกมาลูโลกอันนี้ใครมันแจ้ง มันรู้เรื่องตามความเป็นจริงของมันสารรู้ตามความเป็นจริงของมันเลยก็ไม่มีทางอะไรจะแก้ไขเลยผมถามมันสักัญญารู้เท่าสังขารบ้สังขารมันเป็นจริงอย่างไรรู้เท่าตามความเป็นจริงของมันอย่างนั้นด้วยปัญญารู้เท่าตามความเป็นจริง อันนั้นคือความจริง ท, ทุกอย่างหูเราได้ยินไปดอายตนะทั้งหลายที่มันรวมอยู่นี่เมื่อเราได้ยินคนั้นเป็นสัจธรรมตร่ไหมเป็นสัจธรรมตรงนั้นเนี่ยมันคือความจริงตรงนั้นเน่ยแต่เราไม่รู้จักความจริงมันก็เลยเป็นของปล อ, อมไปแล้วก็ปพุง ตัวนี้งมันเป็นอย่างนั้นก็ตัวหนึ่เป็นอย่างนี้ตั้งใจมันเป็นอย่างนี้ตั้งใจมันเจเขบันทุกพูดไปยังงูมันก็ไม่เป็นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าเราเห็นสั้นๆเช่นนี้เราก็รู้จักสั่งสอนจิตของเจ้าของเลยว่าอันนี้มันเป็นอารมณ์อันนี้มันเป็นจิตอารมณ์นั้นมันก็สัตว์ ว่าอารมณ์ตานั้นนั่นไม่ได้ทาให้ใครจิตนี้ก็สัตว์ว่าจิตเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนดาวเสาเรียกว่าจิตคนที่สุด ก, ก็ไมนมีอะไรทําใหม้ใครเท่านั้นอารมณ์นั้นก็เป็นเรื่องอนิจจ์จิตนั้นก็เป็นอนิจจ์จัด่านเปรตไม่จะขอบเวย ไม่ต้องมีใจมากก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นผอารมที่มันเกิดดับปรดีเห็นอารมณ์ดีติดตามอารม์ชั่วก็ตามก่อเบี้ยกว่ามันเป็นการจังจังนั้นแต่พูดกันยังมีหน้ากเทียบกตัวอันจังเนคือตัวปัจจุบันเจ้าตัวปฏจจทรรเนี่ยตัวที่จะทำตาพุทธองค์ของเราเป็นปัจจุบัเจ้าสารโลกทั้งหลายสมัครกันแบบนั้น ถ้าเห็นอนิจังชัดเจนนั่นก็เป็นพระสมบูรณ์เห็นอนิจังเป็นเป็นของในเที่ยงในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณผุ้ประทานมัน่นหมายมันก็ไม่ไ ป, ประยุทธ์มั่นถือมั่นในขันธ์ทห้าถ้าประยุทธ์มันเป็นขันธ์ที่ห้าเป็นกองแล้วมันจะก้อ กองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังสารกองวิญญาณนี่จะเป็นฐานห้าคือมนมีห้ากองพระพุทธเจ้าทรงใหพิจารณาฐานห้าใครมันจะทุกข์ฐานห้ามีมันเจ็บทุกข์กองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังสารกองวิญญาณเราจะยึดมั่นถือมั่นว่าฐันห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา โดยใช่เหตุเลยแต่ตามความเป็นจริงแล้วอ <Uni. S 2> so, ันน um, ี้ม <un> ันเป็นกันห้าโลกโดยธนาธนาสามยานี้ก็มาช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็เรียกว่ากังห้ามันเป็นก้อนมันเป็นกองห้ากองกองรูปกองนี้กองโดยธนาก็คือกองสุกกองทุกข์นั่นมันจะเป็นกอง สัญญานี่มันจะเป็นกองสังขารนี่ปเป็นกองวิญญา น, นี่เป็นกองไอ้สิ่งมันเป็นกองเป็นกองนั่นเดียวกันมัมมมมมมเ น, น, ม เ, น, นญญเป็นกองนอคนเราคนคนหนึ่งมันมีอยห์ห้ากองหรือมีอยู่ห้ากองกองรูกจะมีกองเวทนาก็มีกองสัญญาจะมีกองสังขารกองวิญญาเราจะอยู่จะได้เราขันห้านี้ท่านเ ต้อนเรียกในตัวอนผู้ที่จะมีความทุกมีความเบื่องอนก็เพราะยึดเอาก้อนี้มาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาใครมันไปทุกข์ขันห้านี่มันเป็นทุกข์เพราะเห็นขันห้านี่แหละเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา คือประยุกต์หมายสิ่งที่ในเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนตเป็นเราเป็นเขานั่นแหละมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอันนี้มันตรงกันข้ามเลี่ยมันตรงกันข้ามตรงนั้นเนีสิ่งที่เราใช้ตัวใช่ตนเราก็เข้าใจว่าตัวกับตน <wounded. S 2> สิ่งที่เราใช่เราใชา่เขาเราก็เข้าใจว่ามันเป็นเราเป็นเขาอันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดจากหลักธรรมะเมื่อมันผิดจากหลักธรรมะมื่อก็เกิดทุกข์สิ่งทั้งหลายแล้วมันเป็นก้อนเฉยๆมันเป็ก้อนเป็นกองหาอย่างอืนนอกนี้ไปมีแต่ทุกข์เราจะไปทุกข์หลับไปเราระสบเกิดขึ้นแลปรกจบกระดับไปอืมันไม่ยั่อยู่หาวอนยู่มันเป็นอยู่อย่างนี้ ท่านจึงเรียกว่าอ้ขันตังหาเนี่ยมันไม่เที่ยงอืแต่คนเราทั้งหลายมองไม่เห็นบ่เ ป, นเป็นของจริงนั่นก็ขัดแย้งกันตลอดเวลาที่ท่านเห็นธรรมะก็คือท่านเห็นตรงนี้ท่านตัดรู้ธรรมะก็คือตัรู้ตรงนี้ม่จะรู้อย่างอื่น มันเห็นชัดไปด้วยสันห้ามมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตมันก็ปล่อยวางพอจะเห็นว่าสัหานห้ามมันเกิดในประหลาดไปไหมมันเกิดตับผลจริงที่มันเกิดปับอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้เมื่อเห็นชนี้จะไม่รู้จะไปทําอะไรมันเมื่อมันเห็นที่ถูกต้องอืม คิดง่ายง่ายว่ากมันเกิดดับไปหนึ่เดียวก็เกิดขึ้นมามูขเดียวก็ดับไปหาสิ่งใดจะมาเกิดดับในมีนอกจากสุข ก, กับกทุกข์แล้วทุกข์มันเกิดแยกก็ดับไปสุขเกิดแยกก็ดับไปมันเป็นเรื่องของสันนี้เานถ้าเราไม่รู้เรื่องสิ่งทั้ทงไหนเรานี้ก่อนนั้นก็ว่าเราจะไม่รู้ธรรมะ ถ้าราู้ธรรมะก็เห็นเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอยู่อย่างนี้หมดทางที่จะแก้ไขเรียกว่าเห็นโลกเห็นจริงเห็นโลกว่ามันเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นก็ไม่ตรงแก้ไขเหมือนถ้าเห็นในใจก็สดายก็สบายเห็นโลกอันนี้ตามเป็นจริงอย่างนั้นการเดียร์เห so ็นการดูธรรมะการดูธรรมะคือเห็นรูปเห็นนามนี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว เรนิงท mm. yes. ั้งหลายแนั้นเรเห็นออกจากตัวของเราออกจากตนของเรานันก็เลยเป็นตนเป็นสิ่งที่ว่าไม่มีตัวตนมีสรรพนามในระยะหนึ่งที่เรียกว่าภาษาลิบบที่ขึนนากาของพระพุทมัณฑมีจะออกไปคุด แล้วจะไปถามปัญหาดุจจิตถ้าษาริบุตรถามปัญหาของพระคุณนีบุตรท่านคุณนีบุตรท่านจะออกไปสุดงถ้ามีคนมาเดียนถามท่านว่ารูปเบทนาสัญญาสังสารวิญ ญ, ญ, ญาณมีตายว่าเป็นอะไร ท่านถามาว่าพระพุทธมติีบุตรบอว่าโอเคปณาสัญญาต่ญญางๆยาเนเสด็จแย่ดับไปท่านไม่เห็นว่าท่านเสด็จแย่สันดับไปตรงนั้นมันมีท่านไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาท่านก็เลยตอบพระอาจารย์ว่าพระกิน า, ากสกตายแล้วเป็นอะไรไม่เป็นอะไร ท่านก็เห็นพระพุทธว่ารูปเบตนาสัญญาสังสารยินยานเสิ่อเดาดับไปพระสารีบุตรที่เป็นอาจารย์ก็พอใจแอบแฝงเห็นของรูปสิว่ามันนี้ไปได้แล้วท่านก็แปรตระกูลนัตะนีบุตรไปสูงเนี่ยท่านถา ม, มอย่างนั้น เพื่อสอบความเข้าใจของลูกศิษย์เมื่อลูกศิษย์ตาสอบมาตามความเป็นจริงเชนนั้นเนี่ยก็อนั่นหมดตอบแล้วหมดที่จะเข้าใจตัวหรือตนตัวนั้นันมีพระกินาสกตา ย, ลยาาาแล้วเป็นปอะไรพระกินาสกคือตูประสิ้นแต่สิ้นยีเดีทั้งหลายเนี่ยตาได้วเป็นอะไร ถ้าคนมันจะมีรู้แล้วว่าท่านประสบมาแล้วว่าเห็นมันเป็นอย่างนั้นท่านมาเห็นมีอะไรเห็นแต่พเพียงว่ารูปเวทนาสัญญาสังส า, ง า, ารเยญญาติเกิดแก่ดับไปไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายนั่นก็พ้นที่ตายแล้วพ้นที่ตายแล้ว อย่างาโมกขลาศเห็นจงยะาธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายถ้าถึงจุดอันนั้นเนี่ไม่ตายทำไมถึงไม่ตายไม่มีค น, มนไม่มีสัตว์ถ้าไม่มีคนก็ไม่มีใครจะตายไมมีสัตว์ก็ไม่มีใครจะตายไอ้ความเห็นชัดแล้มันพ้นจากตัวตวนเราเขา เสร็จห้ามีกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเสร็นแต่การห้ามีแต่รูปมีแต่เวทนาสัญญาสัญญารวิญญาณมีคนไม่มีค น, คนตรงกับความที่พระเบียนถามพระพุทธเจาวว้ า, า, จาว่าอือพระพุทธเจ้าคนตายแล้วเกิดจริมัหม พะพุทธเจ้าทนยอดถามว่าครามใครจะมาเกิดนาตายอยู่ที่นี่ถ้าครามมีควมเห็นเช่นนั้นก็เหมือนกันกับที่ว่าลูกสอน ม, มันคงคองหัวใจคามอยู่แ่วนั้นขวางอุูตลอดเวลาแต่ว่ามันเอาออกยากมันเห็นยาก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 ลโลภโกรดหลงเราก็หมดไปเพราะสิ่งทั้งหลายด้วนนี่มันเกิดสกัสเกิดกัปนุษย์เกิดกับตัวกระตนกัปรเรากับเขาท่านเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาแล้วมันจะเกิดกับอะไรนั่นํารมะพูดถึงทิ่สุดของธรรมะ นักจิราชตามไม่ทันนักจุราชหาแต่เห็นพนไม่เห็นหนักจุราชตามไม่ทันนักจุราชจะคือความตายตามไม่ทันขั้นเป็นผู่ที่ไม่ตาย <c oughs> นั่นจะตายเปตัวต น, น, นรู้สัต์ถ้ามันพ้นจากตนรู้สัตว์จะไม่มีอะไรที่จะตาย ไม่มีอะไรที่จะเกิดจะดับที่ตรงนั้นไม่มีคร้บอันนี้ไอ้ความหมายที่พระพุทธเจา้าขอเมีพุทธประสงค์อยากจะให้เราเห็นอย่างนั้นพ้นจากความเกิดความแตกความตายทุกข์ก็จะ ม, มีไม่มีทุกข์ทุกข์ก็จะหมดทุกข์ก็ดับอันนี้ท่านจริงว่า ให้ปฏิบัติมันต้นจากทุกข์ถ้าเราไปยึดมั่นเราเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตเป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้มัน ก, ก็เกิดแกกเกิดตายอยู่อย่างนั้นมันไม่คนน้นพระพุทธเจ้างค์ท่านเห็นอย่างนั้นท่านสอนอย่างนั้นท่านใหรู้อย่างนั้นเดิมไปจะมีอะไรมีแต่ขันห้ามีแต่กองลกูกกองเวทนากองสัญญากองสังสารกองิมยาน มีจะเรี้ยงา5 0 0เงินเป็นไปตามสภาว่าของมันท่นนั้นอำนาจชั่งยแเห็นออกจากตัวตนไม่มีอะไรจะขัดไปยึดนั่นหรือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้จีบลอยวางเเหตาร์าเป็นสภาว่าทำอันหนึ่งนนั้นเนียกรดขึ้นจะกรดาษไปกระโดขึ้นจะกรดาษไปนี้จะเลี่ยงกระดาษไปตอนนั้น อันนี้เป็นจุดหมายปลายทางที่องค์สมเด็จตัตมาจันทกุศลเจ้าของเราที่ให้พวกพุทธบริจักงหลายนั้นปฏิบัติให้เขาไรู้อย่างนั้นให้เขาไปเห็นอย่างนั้นถ้าเขาไปรู้อย่างนั้นท่านจะเรียกว่าเราเขาเ้าไปสัมมารู้สัมมเห็นอสัมม เมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะอันนั้นเป็นเรี่ยงการปฏิบัติส่วนร่วมทางจิตของเราเรื่องกาปฏิบัติที่เราแนะนาทำาำสอนการอยู่นี้ก็เรืยองอาเป็นเชีระธรรมอารมณ์ชีระธรรมสอนเรื่องชีระธรรมนี้สอนเรื่องตัวเรื่องตนเรื่องเราเรือเขาอย่าไปเหยียบเหยียนชื่อกันไปกัน เป็นตัวเราเป็นเขาเป็นเราเป็นเขาถ้าสอนทรรมื่อวันนู้นก็ได้บาไม่มีเรามีเขาละพูดง่ายๆนะไม่มีเรามีเขาสาอนยังสีอะไรทานี้มันก็ต้องมีเรามีเขาไ้ความมุองหมาย ของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นมีพุทธประสงค์อยากจะให้สาธุชนได้เป็นอย่างนั้นให้รู้อย่างนั้นให้เห็นอย่างนั้นให้เป็นอยู่อย่างนั้นสงบอนั่นหมายถึงสงบสงบจากตัดสงบจากพวกคนจากตัวตวนจากเราจากเขาอนั่นกระมดกันงแตนั้นนี่ในทางพุทธศาสนาของเราตั้ตอนต่อเนื่องนั้น แต่ว่าพุธทธบราาิษัทจะมีศรัทธาจะมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามคำนองนั้นลำบากยากไม่มีศรัทธาแต่ความเปยจริงอย่างนักบวชตอนนั้นอย่างพวกเราเ น, ารานี่ยพวกง่ายจังว่าแต่ว่าวิสัยมาแล้ว ละบ้าบ้าช่องมาแล้วอะไรทั้งหมดทั้งหมดก็ทิ้งมาแล้วเส้นวิสัยของสมณนะอันนั้นจป็ที่หมายเป็นเป้หา <S 1> <S 1> ปหมายของตกเราทหลายเป็นเป้าหมายของผู้ปฏิบัเป็นเป้าหมายของผู่ปฏิบัติ เะนั้นกันจรสาโนละทุติละมนนนะทุะททีิคือความเห็นมานาะคือความายุิได้คุอความายุติได้